วันที่วันพระสุดท้ายของดวงก็สามวันก็งานของเราแล้วทำไมเราต้องจัดงานวันเกิดเพราะวันตายจัดงานไม่ได้นั้นการจัดงานก็คือทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้ทำบุญเรียกวคนบุญคนมีบุญ หลวงปู่ประสิทธิ์ท่นยังบอกว่าคนมีบุญถึงได้ทําบุญแกีกคือความหมายมาหมดบุนแล้วภาษาภาษาพูดว่าคนตายครับ ว, ว่าคนหมดบุญบิงทมีคนบุญอยากตายคนตายไม่ใช่ความอยากมันมันก็อยากข้าวอยากน้ํา เพราะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่เราก็คือต้องการให้เรามีโอกาสได้ทําบุญเนี่ยมีชีวิตมากน้อยไม่เป็นไรขอให้เป็นบุญเพราะนั้นวันเกิดจึงจึงเป็นวันที่เราได้มีโอกาสตัววันตายไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องเป็นห่ว ง, ง, งเพราะว่าเขาคงไม่ปล่อยไว้แหงน้อยให้ม่น เกาคงจะเอาไปเผาไปฝังตามภาษาพนากความตายวืริยจางจากตายไม่ต้องเป็นห่วงไม่ห่วงตอนเป็นเนี่ยเราไม่พูดถึงเป็นเราพูดถึงตายความเป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวความตายไม่น่ากลัวเขาบอกว่าอาการของคนใกล้จะตายคนพูดถึยสองสามรอบแล้ว ชินกับความตายสองสามรอบแล้วหลอดแหลแๆก็หามกันสองโรงพยาบาลก็คือกายมันมันไม่ไหวแล้วกินก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้นี่เขาบอกไว้อากาศเราคนกลจะตายก็คือไม่มีแรงที่ไปต่อต้าน อันนี้คือหนึ่งคือไม่ไม่มีเรี่ยวไม่มีเรงคิดได้แต่ทำไม่ได้ไม่ได้ขยับร่างกายหนึ่งสองไฟล์ที่อยู่ในร่างกายมันก็จะเริ่มอ่อนลงเราจะเห็น ม, มือเท้าจะเย็นและน้ำที่มันอยู่มันพยายามที่จะขับออกทางเหงือ่อทางไรต่ อ, อยห้องเออก็เหงือ่อเต็มตัวกุด คือธาตุทั้งสีมันแสดงอาการดิง น, น้ำต้องกระพระิบจะขับออกจากกางโดยอจะเป็นเหงื่อเป็นเปร่งอะไรเราก็ดิน้ําไฟมันก็จะเริ่มหย็ดหรือเต้ลมลมก็เริ่มติดเริ่มขัดพอหายใจหายใจน้อยหายใจเบาหายใจน้อยก็กจะ หัวใจมันเต้นช้าลงหัวใจเต้นช้าลงกับการนั่งสมาธิมันก็เลยยากเวลานั่งสมาธินี่ลมหายใจเราอย่างเตง็มตรงนี้หัวใจเราจะเต้นช้าทําให้ชิบจอให้มันช้าลงหัวใจมันเต้นช้าแปลว่าเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองมันก็ น, น้อย พยายามคนพยายามที่อาปากหายใจเขาดูโต เ, เ, เรือไปไปเลี้ยงสมองในขณะนั้นเพื่ อ, อาการที่จะพยายามจะสูดลมหายใจเขา้าทางจมูกไม่ได้แล้วก็ เ, เลือแโดยทางปากหายใจนี่นคือคนใกล้จะตา ย, ตายแล้วคนใกล้าตายโดยไม่มีสติเพราะนั้นเราในฐานะที่็นักปฏิบัตินักบุญทั้งหมด มันเร า, าหายใจถึงเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าหายใจไม่เป็นโอกาสสุดท้ายว่าจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายก่อนที่จะไปมันได้จาจากนธาตุัรเหมรุเขาพยายามทหนาเพียงเขาให้มากวิสุทธิ์ทวี่ั้งได้หลังจะนัง่งก็เลได้ลงตาตาก็มองจะลบมองไม่เห็นเ ล, ล็บเป้านก็ไม่ชัดแต่ว่าหูที่ยิน เพราะนั้นเวลาคนก็จะตายเวลาลูกหลานจะไปร้องห่มร้องไห้ทําให้คนตายกลางวันจิตสุดท้ายมันไปอยู่ห่วงกับลูกกับหลานอยู่กับคำบอคนร้องไห้ซึ่งไม่รู้ว่าร้องไห้เพื่ออะไรอคิดเราร้องไห้เพื่ออะไรร้องไห้เสียใจดีใจที่จริงมันเป็นเรื่องปกติถ้าเราคิดันเป็นเรื่องธรรมดา มันไม่ใช่เรื่องแปประหลาดมันก็มันก็เหตุการณ์ทั่วไปเย็นรอนอ่อนแข็งกลางวันกลางคืนนี่คือเรื่องปกติแต่เราเราเราเห็นว่ามันไม่ปกติเ ร, เรื่องของสี่ดายอะไรเอารแต่ถ้าเราคิดว่าการตายคือไปหาที่อยู่ใหม่พูดง่ายคือตายเพื่อเกิดถ้าเราคิดอย่างนี้ เขาจะไปร้องไห้ทําไมตายปดวดแดงก็ไปเกิดอยู่แล้วเมื่อครัเข้าใจตรงกันอย่างปัญหาอยู่ที่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรต่างหากตรงที่ต้องไปตั้กังวลไม่ต้องกังวลเรื่องความตายตายเมื่อไหร่ตายยืนเดินนั่งอะไก็ได้พร้อมหรืออย่างที่จะตายพอตายเสร็จแล้วความพร้อมนั้นคืออะไรพร้อมคือบุญพร้อมไม้ม หรือมีแต่บาปอันตอนนั้นจะเป็นเครื่องเสียงเสบียงคือเครื่องไม้ติดมือติดกระเป๋าเราไปถ้าไปตรงนี้ไม่มีอะไรเลยของที่มีอยู่มันก็เหมือนกับเราผมเราตอนนี้พวกเราออกจากบ้านพอเสร็จแล้วสมมติจะเฉยๆสมมติเฉยมมเกิดไฟไหม้ขึ้นมาในบ้าน ก็แปลว่าเอาอะไรติดไม้ติดมือมากระเป๋าใบเดียวก็ได้แค่ไปเดียวเอามาที่เหลือก็ไม่เหลืออะไรแล้วโดนไฟไหม้หมดแล้วร่างกายเราก็เหมือนกันวันไหนที่โดนไฟไหม้เมื่อไรอะไรที่เราเออกไปได้บางที่จิตจิตไปกด้บางอันนั้นแหะตัวที่สําคัญทุกส่วนตัวบ้าง ไปมันก็ไม่ไปเขาเอาไปเผาร่างกายเขาเอาไปเผาไปเอาไปเผ า, ไ ป, เผาไปจีไปฝังไม่ตามธรรมชาติเป็นการกําจัดกำเนกับขยะมันก็ขยะเช้นอย่างในโลกนี้ถ้าเราไม่กําจัดมันก็จะเต็มไปด้วยขยะอีกนะบางประเทศอินเดียในปานที่เบตของอพวกนี้มันที่ชอบถานด้วยซ้าไปตายแล้วแกไปก็สับไปชิ้นชิ้นให้แรง้งกิน ก็ถือว่าได้ประโยชน์เขานี่คือของเ ค, คเขาไม่เห็นเรากลัวเลยคนเป็นๆเนี่ยไปปีไปต้องลุงป่านะเอาไปบริจาคเป็นทานครั้งสุดท้ายมียก็ไปเผาไปฝังไม่ได้ประโยชน์อะไรความคิดของเขาเนาะแสดงของที่ความกลัวของพวกนี้เพราะไม่คิดว่าการตายไปต้องน่ากลัวเพราะนั้นอย่าไปกลัวหรือความตายให้กลัวเราความพร้อม ก่อที่จะตายตั้งหากมีอะไรบางที่ต้องเป็นความดีเพนั้นจิตครั้งสุดท้ายถ้าใครไม่ฝึกเาไว้ก่อนตายมันจะลำบากมันจะดิ้นรนขนข อ, ข อ, ขอยมันจะทรมานโดยเฉพาะาไว้ทุกขเวทนาทุกขเวทนานเดบขั้นอย่างรุนแรงร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้โดยเฉะาอยิ่งคือ ส่วนใหญ่คนที่ตายคนที่มีอายุอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่า น, นทรงทัารกันอยู่ตอนนี้กําลังรออยู่ก็มีไปแล้วก็มีเก้าสิบกว่าไม่กี่วันนก็ไปแล้วคนอันนั้นก็ไปแล้ ว, นนลวเลขเก้าหลอีกหลายรูปที่ขึ้นตอนนี้เลขเก้าก็นอนละเลขเก้าก็นอนแล้วนะใครบอกาอายุร้อยปีร้อยสาวแค่เก้าสิบกว่าก็ลําบากแล้ว ลุงปู่ใหญ่ลุงปูม่มันเราก็เจ็ดสเก้ายางแปดสิบพูสิมเราก็แปดสิบามลู้แวนเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดสภาพทูนอนนั่งรถเข็นไม่ไดเดินนั่งได้อันนี้นคือปัจมุ่ัไวัยวัยสุดท้ายวัยปลายคนพ่อแม่ก็บาจังครัาพวกเราเพราะนั้นพวกเราเช่นเดียวกันต้องไปกลัวนะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรที่เป็นความดี ว่าจะเป็นนามนธรรมจนความคิดคำพูดการกระทํางขอให้เป็นเรื่องที่ดีดีก็เรียกว่ากรรมขอให้เป็นกรรมดีจะไปโทษกรรมโทษเวรทุกคนมีกรรมเท่านั้นไม่ใครไม่มีว่ากรรมอะไรต้องกรรมดีหรืกรรมไม่ดีกรรมดีก็จากอะไรกรรมไม่ดีก็จากอะไรต้องมีสติแล้วก่อนคือต้องถามว่า ก่อนที่พระพุทธ จ, จ้าจะประนิพานธ์ผู้งานก็ตายพระุทธเจ้าตรัสอะไรอันนี้คือประเด็นก่ อ, อนที่จะประนิพนธ์ท่านก็บวให้พระรูปหนึ่งถึง เ, เป็นรูปสุอเท้าอันาดไม่ไหวแล้วนอะันนอนคือพร้อมที่จะไปแล้วสิหะสายญาติผู้ยงเราไปในทางจิหะสายญาตินอนตะแกรงขวาพร้อมที่จะไป ในขณะนั้นก็พระโวยวายจะมาฟังภูจาจารได้ยิน ว, ว่ภาภูจีอาจาจะปริพัติแล้วสุปทฏฐาปริไปชกแต่พรานนท์ไม่ให้เขาพอภูจีจายจะปริพัติแล้วจะไปรบคนพระองค์เลยภูจาจได้ยินบอกว่าเสียงอะไรอะไรอื่านนนท์ก็บอกว่าชื่อคนบอกโก็ไม่เป็นไรก็เข้ามาอล้ว บ, บวชไปนคนสุดท้าย หลังจากนั้นสิ่งที่ท่านพูดท่านจัดด้วยความเป็นห่วงเวณอุทยานทั้งหลายก็คือว่าสังขารทั้งหลายสังขารคือรูปวัฏฏธรรมนามมาทำทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายสังคารทั้งหลายที่เรามีอยู่เรื่องลดน้อยถอยลงไปมันมีความแปรปรวนตั้งแต่ต้นจนจบก็บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทคำนี้ อย่าประมาทในในสังขารในความสินไปความเสื่อมไปให้เห็นความสิ้นความเสื่อมไปของร่างกายในคาวิปัสนาข้อหมายวิปัสนาเการเห็นเห็นในตัวนี้หมายถึงเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นในตาเนื้อตาหนังอย่างที่เราเห็นคนแก่คนเฒ่าอันนี้มันตาเนื้อตาหนังเห็นด้วยตาเนื้อตาหนังไหมเห็นแล้วมันเกิดสัญญาหรือความจา แต่เห็นด้วยตาในมันจะเกิดปัญญาเนื้อหัวใจเพราะตาเนื้อตาหนังเกิดสัญญาคือจําได้หมายรู้แต่เห็นด้วยตาในมันเกิดปัญญาอ่าเรื่อยปัจจนั่นคือเป้าหมายในการเห็นของพวกเราเพราะนั้นที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะ่ะมันแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยตัย้งแต่สกุลุเห็นว่าเป็นอะไรเท่า น, นั้นเอง แต่ถ้าเราตราบไดยังไม่เห็นด้วยปัญญาเราก็จะอยู่กันอย่างเนี้ยก็แล้วจะไม่มีภัยคือความกลัวในสิ่งเหล่านี้นั้นมันจะไปคิดความตายเป็นภัยคือเป็นความกลัวความเป็นนี่แหละเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะมันเป็นมันเป็นได้ทุกอย่างคือเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้นี่ต่างหาถ้าเป็นบุญมันก็ไม่แน่ห่วงส่วนแห่ต้องเป็นบาปเป็นบาปก็คือคิดก็เป็นบาป พูดก็เป็นบาปทําก็เป็นบาปนี่คือคำกรรมแท้จริงถ้าจะกลัวกรรมรก็ลัวอย่างนี้มันต้องไปกัวเวรกลัวกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่เราไปตั้งสมมติฐานดูจําต่อต่อกัน ม, มาก็คือสัญญานั่นแหละไปจําต่อต่อกรรันมาว่าเป็นเวรเป็นกรรมเวรกรรมคืออะไรก็ไม่รู้ตัวเอย่างนี้มันเข้าใจเวนกรรมเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เวนกรรมจะดับอะไรไงก็ไม่รู้นี่คือว่ า, าวิชาขนะดานถึงปุจจานว่าอาวิชาคืออันนี้ เพราะนั้นการเห็นขอ้เห็นทั้งข้างนอกและเห็นทั้งข้างในถึงจะเป็นปัญญาได้ยืนกันเหมือนกันต้องได้ยืนออกจากข้างในได้ยินข้างนอกหายไปอันนี้คือเราที่ยังมีชีวิตคือความเป็นอยู่ถือว่ายังมีโอกาสที่จะทำความดีสุดมากเท่าไหร่ไม่ต้องไปหวังมันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น เพราะนั้นไปคิดก็คือให้คิดเรื่องที่ดีๆเอาไว้อย่างเช่นคนของพุทธเจ้าคนของพระธรรมคนของปริยส่์คนของศีลคนของทานที่เราทําต่อกันส่วนของไม่ดีอย่าไปคิดทําอย่างนี้ให้เป็นนิสัยเพราะะนั้ น, ก, น, ก, นก่อนตายเวทนามามันคิดอะไรไม่ได้เวทนาเบีบคั้นทังๆัง้เขาไม่ได้จนจิตจิตอยู่ไม่ได้จิตมันก็ออกจากเ่ามันก็เหลือแต่ของ ไอ้ดินน้ําไฟลมที่มีอยู่ที่เราเข้าใจเป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขารูปลอรูปสวยรูปงามเนี่ยเราไม่คิดว่ามันเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมตั้งแต่ทีแรกเพราะไม่เคยคิดอยู่อยู่ไม่อยู่ในกระบวนการของความคิดมันเคลยว่าคิดไม่เป็นมันคิดไม่เป็นมันก็จะเป็นอย่างนี้วันนั้นมันต้องไปกลัวโรคไข้แค่เจลเหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่ไม่มีใครไม่มีเลย เรื่องโรคไข้เจ็บมันมีตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเกิดเมื่อไหร่ก็มีเมื่อนั้นจะมีมากมีน้อยชาราก็เหมือนกันมันไม่ใช่ชาราเอาตอนนี้ที่เราเข้าใจชาราคือความคําค่าการชํารุดสุดโทมของร่างกายเกิดเมื่อไหร่ก็ชาราเมื่อนั้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันชาราแต่เราไปเข้าใจว่าแก่จริงเรียกว่าชาราเราก็จํากันอ ย, อย่างนี้อันนี้คือสัญญาณ ว่าสัญญาคือจำแต่ตัวปัญญาจริงๆถ้าใครคิดได้ตั้งแต่เกิดก็คงไม่เป็นอย่างนี้แต่ปัญญาไม่เกิดนี่เราถึงต้องพยายามฝึกแล้วก็ฝนให้มีความคิดหรือแนวความคิดอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันทุกวันให้เป็นอยู่ในกระบวนการความคิดคิดได้คิดมีคิดเป็นทุกวันเราคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นทําไม่เป็นมันถึงเป็นอย่างนี้ นถ้าเราคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นเราก็จะทั้งหมดเนี่ยจะไม่ไปเพื่อตัวเองเดือดร้อนจะไม่าาไปเพื่อคนอื่นเดือดร้อนนั้นทําไงก็ตามคิดยังไงก็ตามพูดยังไงทัำไปแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนนั่นคือบุญแต่ถ้าพูดไปแล้วคิดไปแล้วทําไปแล้วตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนนั่นคือบาปแค่นยิยม ไม่ได้มีมากมายมีแค่สามทางแค่นี้แหละเพราะั้มันจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็อยู่แค่สามทางเพราะฉะนั้นจงเยะเวลาที่เรามีโอกาสมีเวลาเราทําบุญโดยพงเงี้ยงกับครูบาอาจารย์ครูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงานนี้นหมดมาไม่ทำก 70, 80, ว่าเจ็ดสิบแปดสิบรูปถือเราได้ทำบุญในเจ็ดสิบแปดสิบรูปนั้นอาจจะไม่ไปใช้พระ อ, อริยะทั้งหมด เดีวพระท่าเหล่านั้นเบื้องต้นเป็นผู้ปฏิบัติปตีปฏิยศชอเรื่องมีศิ่แต่ท่านในท่านเหล่านั้นในเจ็ดสิบแปดสิบรูปแล้นเกิดเป็นพระผู้มีคุณสมบัติเป็นพระริยะพระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็กัลโชดีของพวกเราคือได้ทําบุญกับผู้มีใจมีคุณธรรมมีบริสุทธิ์หนึ่งคือโอกาสดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พวกเราได้ทําบุญ ภูการอย่งนี้มันหายากก็ถือว่าพวกเราทุกคนถือมามาร่วมบุญมาทำบุญมาดูมาเห็นมาร่วมกันจะเป็นอนุสติครั้งต่อไปเออเราได้ระ้เรื่งถึงคุณงามความดีคือเราเป็นจักนัสติบางสีล้านสติบ้างก็ถือว่าเป็นอ น, นุสงส์หรือ ว, ว่าเป็นคุณงามความดีที่จะสถิต บรรจุเอาไว้ในใจครับผู้เราทุกคนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอุกาสก่อนสิ้นปีใหม่นี้ถือว่าทําบุญใหญ่ครั้งทุดท้ายอ่านแล้วก็ปีใหม่อีกละปีใหม่ก็เโยๆเฉยหละก็ไม่รู้ไปเโยๆอะไรกันไม่รู้มต้อนรับอะไรกันต้อนรับปีใหม่ต้อนรับอะไรอ่ะอันนี้เลเราคิดนี่เป็น ปีใหม่มันก็คือปีเก่าปีเก่ามันก็ปีใหม่มันก็เท่าเดิมนแหละถ้าปีใหม่แล้วก็ยังคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมมันมีอะไรใหม่ขึ้นมานะปีใหม่มันมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นขอให้ปีใหม่วันใหม่เดือนใหม่เกิดทุกวันให้เป็นวันใหม่ทุกวันมันก็จะมีของใหม่ๆขึ้นมาแต่เป็นของเก่าอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ไปไหนมาไหนเพราะฉะนั้นยังไป่ต้องกลัวจิตสุดท้าย ขอเราเป็นยังไงมันอยู่ที่ปัจจุบันนี้นหะปัจจุบันคือเดียวนี้เวลานี้ขณะ น, นี้จิตที่เป็นอดีตจิตที่เป็นอ น, นาคตมันมีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ทามาย้อนมาทําร้ายทําลายตัวเรามันเป็นประโยชน์อะไรเพระนั้นก็วิธีคิดวผู้คี่ทำคือการใช้ชีวิตก็ให้อยู่กับปัจจุบันให้มีสติอยู่กับปัจจุบันให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่สติที่เป็นเรื่องของอดีตมันจบไปแล้ว เรืออโคดยังไม้มาถึงคือไม่ได้ประโยชน์พูดตรงต่อให้คิดทั้งวันก็ไม่ได้ประโยชน์ต่อไอพูดทั้งวันก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ปัจจุบันเราแก้ไขได้แก้ไขที่ปัจจุบันเอ่านุบูทนาของดีพวกเราที่เป็นปัจจุบันอันนี้อันนี้เราจะเป็นเครื่องอุปการรักษาจิตของเราจะเคลื่อนไปออกจากร่างไปก็จะไปสู่พบโฮมที่ดีเรายังมีชีวิตอยู่มากน้อยไปอะไรต้องไปสนใจมัน เอาให้มันดีที่สุดตั้งแต่ละวันที่สําคัญกือ ว, วันวันหนึ่งหรือครั้งหนึ่งแต่ละวันให้นึกถึงคุณของผู้เจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระประสงค์เาเป็นอนุสติบุญคุณความดีของพวกเราที่ทํามาอยู่ทุกคันทุกวันจิตบ่นจะจําแต่ของดีๆไปในง้นมื่จิตจับจำของไม่ดีจําของไม่ดีที่ไปมันคือทุกขติถ้าจำของดีไปที่ไปคือสุขติ มันเลือกได้ขออนุโมทนาขอพวกเราทุกคนให้ถือว่ามารวมทำบุญบอกต่อๆกันไปมาพบเจอครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะเห็นหน้ากันหรือเปล่านี่ยครูความยากลำบากล้วขออนุโมทนาเนาะหากตั้งใจรับพรวันนี้น้อยไปเรียนหนังสือเรียนเรียนอาวันพระข้าขอมัได้กินเลย ก็ เ, เรียนนมาคือเรียนอ่าไม่รู้จะพูดยังไงเขาเรียกว่าเรียนจนผีบ้าตาเหลือกเรียนจนรว่าวันพระวันเจ้าอันนี้คือเป็นแนวความคิดของครูบาอาจารย์วันพระมากกวจะเป็นหยุดวันเรียนเขาก็ยังเรียนมาจบพระพุทธรูปอ่าออืมรูส้สึกว่าจะโลหะก็ ใชครับวย่านรกนที่หลวอมีกมกันครับเออออ๋อโมท่านอะใจ็จะึงัใจจะใจยังหลวงพ่ดีที่บ้านที่มีพระธาตเยอะๆุระษสัขนาดก็มาจากบ้านหลวงทออดีนะถ้าจะ อ่าอ่าอ่อถาถวายพระใจเป็นพระกับทุกคนอ้าว